บุญเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขความอบอุ่นและบุญเป็นสิ่งมีอำนาจดัดแปลงใจทำให้จิตมีคุณสมบัติที่ดีที่พร้อมจะประเชิญอปุปสรรคและเรื่องยุ่งยากทั้งหลายเมื่อคิดจะเปลี่ยนแปลนิสัย จ, จึงควรเอาบุญมาเป็นตัวตั้งแทนที่จะหาเทคนิคแบบโลกโลกมาใช้ซึ่งอาจได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างในแต่ละคน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 ก็อาจยิ่งทำให้สงสารตัวเองหนักขึ้นเพราะโลกมันไม่ตามใจเรามีเราเท่านั้นที่อยากตามใจตัวเองจริงๆข้อที่สองถือศีลตั้งใจแน่วแน่ว่าจะถือศีลให้ได้ถ้าไม่สามารถครบห้าข้อก็ขอให้เลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งที่ทำผิดเป็นประจำแต่ง่ายที่สุด ที่เราจะรักษาเช่นเคยพูดปดเอาตัวรอดก็ตั้งใจงดเว้นเด็ดขาดเกียงคิดรักษาีิ่ข้อใดข้อหนึ่งให้ได้มั่นคงก็จะสร้างวินนยขึ้นมาตัววินนยนั่นเองที่เป็นคันติบารมีทำให้จิตใจแกร่งขึ้นเรื่อยๆตามวันเวลาที่สามารถรักษายิ่งถท่ารักษาได้ครบหข้อจิตจะสะอาดปลอดโปร่งกว่าเดิมอีกหลายเท่า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 เอาเวลาไปอ่านหนังสือธรรมะทำอะไรก็ได้ให้จิตใจปลอดโปรง่งรู้สึกสะอาดปราศจากมนลทินเท่าที่เห็นมาคนตั้งใจแล้วทำได้จะมีจิตที่หนักแน่นมั่นคงขึ้นอย่างรวดเร็วแม้จะยังทำสมาธิไม่ได้ดีก็มีร่องรอยบอกว่าฟุ้งซ่านน้อยลงแทบเป็นคนละคนภายในเวลาไม่กี่เดือนข้อที่สาม